วันนี้จะพูดเรื่องวิสาขาบูชารอบสุดท้ายวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในสามโลกธาตุในทุกๆโลกธาตุโดยเฉพาะในโลกนี้โลกเนี่ยเขายอมรับโดยผ่านทางสารปรรมชาติว่าวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันวิสาขาบูชาโลก เป็นวิสาขบูชาโลกคือโลกยอมรับในพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่มนุษย์พิเศษเป็นมนุษย์ที่สามารถแตะต้องได้เกิดมาจากคันมารดาผ่านจากตักของมารดาเหมือนกับมนุษย์อื่นมีบิดาดมเป็นหลักฐานมีทั้งในพุทธประวัติและมีทั้งในประวัติศาสตร์ของอินเดีย mm. มีตัวตนจริง เนี่ยอยากบอกยอมรับในความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จริงคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนทุกข้อไม่เคยมีใครมาพิชูดว่าเป็นเท็จสอนแต่เรื่องจริงปฏิบัติแล้วนําไปสู่ความสันติทั้งส่วนปัจเจกและส่วนสังคมสู่ความสันติโลกว่าถ้าดําเดินตามแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย มันจะเกิดความสันติจริงๆประเทศอิตาลีจึงยอมรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคู่กับคริสถูกประกาศโดยอะไรนะอะไรฮะป๊บป๊บใช่ั้ยเออเพราะว่ามันขัดแย้งไม่ได้วิทยาศาสตร์ในอนาคตจ ะ, จะเจริญไปแค่ไหนต้องยอมรับพระพุทธเจ้า เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเรื่องจริงและคิดดูนี้สองพันกว่าปีอยู่มาเนี่ยโลกจเจริญไปถึงขัานไหนมีแต่ค่อยๆยอมรับยอมรับยอมรับคำพระพุทธเจ้ายอมรับคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงอะไรที่เคยปฏิเสธมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ยอมรับกันไปเรื่อยๆนี่คือพระพุทธเจ้าอันเราจะต้องภูมิใจแต่เราภูมิใจไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ค่อยรู้เรารู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสักสิทธิ์สักสิทธิ์สักสิทธิ์สักสิทธิ์สักสิทธิ์ เอาแต่ศักดิ์สิทธ์อย่างเดียวเอาแต่ศักดิ์สิทธ์อย่างเดียวไปถึงเวลาก็ปั้นรูปพระพุทธเจา้าหล่อรูปพระพุทธเจา้าเอาเป็นเล็กๆแจกเป็นวัตถุบกวนแจกไปนะอธิษฐานเข้าเอาไว้นี่ได้อย่างนั้นไอ้านั้นได้อย่างนี้ไอ้นี่ได้อย่างโน้นคนก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงกันแน่แต่โลกมันรู้แล้วมันยอมรับแล้วในความเป็นจริงพระเจ้าก็คือมนุษย์ธรรมดาที่ผ่านตักมารดาเหมือนกับผู้อื่นมีบิดาเป็นตัวเป็นต้นไม่ใช่ว่าเกิดมาจากความวิเศษวิโสของอะไร แล้วก็ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้มานั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติทรงใช้พระองค์นี่แหละเสียสละทดลองจนกระทั่งรู้ว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติแบบนี้มันมีอยู่เลยนํามาเปิดเผยพวกเราพอรู้ข้าวเราปฏิบัติตามเราก็ได้รับผลได้รับผลตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินนั้นมันก็เลยสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ สืบทอดกันมายูนถึงทุกวันนี้นวันวิสาขบาูชาจึงเป็นวันสำคัญมากของพระพุทธเจ้าเป็นวันหลงพระพุทธเจ้าเลยแหละเพราะเป็นวันคล้ายกับวันที่พระองค์ทรงประจูตศัตรูและเออดังดังดังๆประจตดก็คือศัตรูก็คือฮะ ไม่รู้จะตอบว่ายังไงแต่เข้าใจโดยความหมายแต่ว่าจะพูดออกมาเป็นคําตอบไม่รู้จะตอบว่ายังไงใช่ไหมออะรู้แ จ, จ้งอรู้แ จ, จ้งก็รู้แจ้งทําไมเขต้องเรียกตรตถรู้เพราะไม่มีใครสอนรู้เองอสิ่งที่พระพูุที่เจ้า ต, ตรตรู้เป็นสิ่งธรรมดาที่มีอยู่ในโลกนะในธรรมชาติ มันเหมือนกับกฎธรรมชาติอื่นๆที่ถูกค้นพบโดยมนุษย์มนุษย์บางคนก็ทำการศึกษาและวิจัยจนกระทั่งพบกฎธรรมชาติเยอะแยะมากมายบรนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อเทคโนโลยียอย่างเยอะแยะเช่นระบบนิวเคลียร์ที่ไอสไตคนพบก็เป็นกฎของธรรมชาติที่ก็มีอยู่แล้วไม่ได้มาบัญญัติขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีอยู่ตามธรรมชาติบัญญัติยังไงก็ไม่ได้ ขอพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติมีอยู่ที่เรียกว่าอะไรพระพระอะไรวิไนเนี่ยเรียกว่าบัญญัตินอกนั้นเรไม่มีแล้วเมื่อถึงวันวิสาขบาูชาเราก็จะต้องมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นท่านให้พระภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพราะว่าพอปฏิบัติเข้าไปแล้วจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามันมากมายเหลือเกินไม่รู้จะ จะพูดยังไงพนันนายยังไงให้มันรู้สึกในใจนอกจากกรรมอุทานมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อระลึกถึงพระองค์แล้วขอถวายชีวิตนี้ที่มีอยู่เป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าและขอขับเคลื่อนชีวิตนี้ด้วยการระลึกถึงพระองค์กับบทว่าพุทโธแล้วก็ใช้ชีวิตไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมีความซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าและเดี๋ยวนี้ของเราพิธีจัดก็ยิ่งใหญ่กันมากนะ เขจัดกันยิ่งใหญ่มากอยิ่งใหญ่กันจนจนเกินน่ะยิ่งใหญ่กันจนกระทั่งเกิดเอื้นตอนนุ่นตรงคือยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ในการใช้เงินใช้ตองใช้งบประมาณแต่ความจริงการการถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยการถวายพระเจ้าเนี่ยมันควรจะยิ่งใหญ่ในเรื่องการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์พอพระเจ้าไม่ได้อะไรเลยนะ การปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันง่ายที่สุดไม่จำเป็นจะต้องรวยขอแค่ยังไม่ตายมีกายมีใจนี้เหมือนกันปฏิบัติได้เลยแต่การดำเนินการตามนั้นแหละที่พเจ้าเมื่อสมัยตอนที่ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปริพานคือส่้นประกาศเรียกว่าปลงอะไรปรงอายุสังข์ขัน ต่อไม่ดังที่จะได้เช็คฤตฝั่งไหนมันแน่กว่ากันเมื่อทรงปรงอายุสังขารนะคือประกาศว่าอีกสามเดือนจะปริพานถึงอนั้นเมื่อประเจดบรรทมสีอาศัยญาติคืออะไรบรรทมสีอาศัยญาตนอนเกว่าครั้งสุดท้ายคือนอนแล้วไม่ลุกขึ้นนะอนุถานนะสยญาต ลงนอนปั๊บไม่ลุกขึ้นแล้วแต่ยังอยู่ตอนนั้นจะมีคนอยู่หลายพวกคือเมื่อพระพุทธเจ้าจะบริพารเนี่ยจะมีมีมีคนอยู่หลายพวกอะพวกที่หนึ่งคือพวกที่อะไรเรียกสลุดสังเวชคือพวกที่หมดกิเลสแล้วเป็นอริยะบุคคลแล้วก็เกิดความสลุดสังเวชขึ้น พวกที่สองคือพวกที่ดีอกดีใจไม่มันพ้นผ่านพ้ น, นไปทีทีทุกครั้งทุกคราวอะพุทธเจ้าอยู่แล้วต้องคอยระมัดระวังพราะก็จี้ไน้นั้นไม่ถูกไอ้นี่ปิดต่อไปก็ไปต้องมีใครมาคอยว่าคอยบ่นอีกแล้วเราสบายแล้วเวที่ยวเนี้ยีอพวกหนึ่งมีไหมมีมมชื่ออะไรเนะนี่ยก็อทคนนี้นอ่า เป็นหลวงตาอยู่กับท่านมหากัสปะเชื่อไหมคนนี้เป็นเหตุทำให้เกิดสังคายนาครั้งแรกสุพัทธวุฒทบันปชิตหลวงตาหลวงตาสุพัทธ์เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ร่ำให้ โศกาอาดูนเสียอกเสียใจน้ำตาไหลเป็นสายเลือดมีอยู่พวกอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งมีอยู่คือพวกไม่เคยรู้เลยเหรอฮะเออไม่เหีชื่ออะไรวะช่างไม่ ม, มั่ไม่ ทำไมบ้าหนี่ลูกศิษย์สำนักไหนวะต้องชมไปถึงอาจารย์อีกพวกหนึ่งคือพวกที่ว่านี่พระพุทธเจ้าจะไม่อยู่แล้วชาไม่ได้แล้วต้องรีบขวนขวายท่านผู้นี้ชื่ออัทธอัทธดัตถะคือผู้มุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักในระหว่างที่คนสีพวกไอคนที่พวกที่ร้องหยงร้องไห้กันดูทั้งพระทั้งคารวะเ ต, ต็มไปหมดเรากุมกุ้งเ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มืองตอนนั้นโอ้โหเกิดสะเทือนใจมาก ถ้าใครได้ไปยืนอยู่แถวนั้นนะโอ้ยน่าดูหวยหายแต่พระรูปหนึ่งชื่อท่านอัตตอัตตะอัตตะคือผู้ประโยชน์ท่านเลี่ยงตัวเองออกไปแล้วก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิจนไอ้พระพวกคือเดินเฮ้ยฮะ ยังไม่ฟ้องไม่พ้องไม่ฟ้องไม่พ้องภาพพวกอื่นเห็นปั๊บ ก, ก็เกิดการโจดนินทาอ่าไอ้พวกที่ยังร้องอยู่วันนินทาแน่แหละเพราะไอ้พวกที่มันร้องอยู่นี่มันนินทาแน่นินทาเขาดูดูที่คนอื่นเขาร้องโหยร้องไห้นั่นก็ไอ้เนี่ยท่านอัตตะนี่ไปเที่ยวดูสิหนีตัวคนเดียวไปอยู่คนเดียวยไม่มาใส่ใจไม่มาดูแลไม่ค่อยถาวายใกล้ชิด พูดกันจนพระพุทธเจ้าได้ยินนะขณะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าเธอพูดเรื่องอะไรกันตอนนั้นเสียงเบาแล้วพวกนี้ก็บอกว่าเนี่ยท่านอัตตะเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยรู้ว่าพระองค์รู้ว่าพระผู้มีพระภาคกำลังจะเสด็จดับพันธัมิพานไม่ใส่ใจเลยหลบไปอยู่คนเดียวทำอะไรทวงทวนตัวอย่างเดียวไม่ไม่ใส่ใจเลยพระเจ้า ช, ช่วยไปเรียกมาสิก็ไปเรียกนิมนต์ท่านมามาถึงถามว่าอัตตะ ได้ขาวว่าเธอเป็นอย่างนั้นหรือจริงพระเจ้าข้าทำไมเธอถึงเป็นอย่างนั้นนะพูดดังๆข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แข็งแรงนั้นข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้แล้วขณะนี้พระองค์กำลังสเสด็จสู่สีสะใย่ายแล้ว กำลังจ ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันทัพปณิพานข้าพระพุทธเจ้าคิดว่ามุ่งมั่นในเรื่องการปฏิบัติภาวนาให้ได้มักได้ผลในขณะนี้ก่อนที่พระองค์จ ะ, ะเด็จ ด, ดับขันทัพปณิพานเพราะหลังจากที่พระองค์สเสด็จ ด, ดับขันทัพปณิพานาแล้วคืนมัวชักช้าอยู่ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะได้มักได้ผลไหมคิดเช่นนี้จึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้า สาธุการนะครับเธอทำถูกแล้วอัตตระทะการบูชาตถาคตการปฏิบัติถือเป็นการบูชาอย่างยิ่งถ้าผู้ใดคิดที่จะบูชาเราผู้เป็นตถาคตแล้วขอให้เอาอย่างอัตตัะะเทระผู้นี้งานไงมีตรงไหนไหมที่ว่าต้องพบมาเท่านั้นเท่านี้ไม่มี มีเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามันจึงเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาที่ทันต่อโลกทุกยุคไม่ว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในยุคไหนนรมาก้าพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งใหม่ๆที่ถูกเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมาในโลกนี้อะไรที่มันทำให้พุทธศาสนามัวหมองจืดจาง ไม่มีเลยนะจริงๆเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วตรัสว่าอญยางวัตกโกโลกโกว่าโลกนี้มันกลมในขณะที่โลกเราคนก็เชื่อว่าโลกแบนแบนแบนแบนแบจนกาลิเดโอมาบอกว่าโลกกลมอ่ะว่ทรงตรัสมาตั้งนานแล้วจนเดี๋ยวนี้ได้รับการพิสูจน์จากนาซาหลายเรื่องหลายราวก็เป็นความจริงขึ้นมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อที่จะไปสั่งสอน โฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นเป็นหลักพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อรื้อขนสัมภสัตที่จมอยู่ในกองทุกเนี่ยให้ออกมาจากทุกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดจึงไม่มีอะไรที่เป็นเท็จเมื่อผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นแล้วสิ่งอัศจรรย์ของผลของการปฏิบัติก็คือ เป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะพ้นจากทุกได้นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่ายิ่งใหญ่ตรงไหนอ่ะยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเสียสละที่สุดเดี๋ยวนี้นะเรามีไอ้พวกไอ้พวกบ้าความรู้ในส่วนเหตุนบ้าตะกะบ้าความคิดแล้วบังอาจ พูดถึงพระเวศสนดรไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะแต่มีหลายคนคือบางอาจก็เรามันลองคิดกลับกันได้ยมถ้าคนมันติดมันติดอยู่กับลูกอยู่กับเมียมันจะมีโอกาสต่อตรู้ไหมเอาถามจริงนะะก็สุดท้ายอะ่ะมหาบุรุษทั้งหลาย สุท้ายพังพินาศด้วยอะไรฮะด้วยหลังบ้านทั้งนั้นน่ ะ, ะการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าของเวนยสัตว์อย่าลืมว่าคําว่าเวนยสัตว์บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องประจนอยู่กับกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยในสายตาของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพวกเหานี้คือสรรพสัตว์ที่พระองค์จะต้องรื้อขนขึ้นมาจากกองทุกข์ วันในคราที่จะเสด็จออกบวชเนี่ยไม่ว่าพระราหุลก็ดีไม่ว่าพระนางพิมพาก็ดีทรงมีอะไรไม่อะไรมากอะไรมากแต่ทรงเห็นไม่ว่าพระองค์หรือพระราหุลหรือพระนางพิมพาก็ยังต้องจมอยู่กับกองทุกนั้นอยู่ดีและถ้าพระองค์ทรงอยู่อย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะช่วยท่านเหล่านี้ผู้เป็นที่รักและท่านอื่นๆที่เกิดมาในโลกใบนี้ได้ เพระองค์จําเป็นที่จะต้องเสียสละนี่ในในช่วงที่เป็นศิทธิถาะนะและไอ ก, การเสียสละอย่างเนี้การไปว่าพระเวสสันดร น, นั่นน่ะคือกระทบเจ้าชายศิทธิถะเจ้าชายสิทธิถะทิ้งนางพิมพาไว้ที่กรุงก บ, บิลฟัดมันก็ไม่ต่างกับที่พระเวสสันดรทิ้งนางมัทสีเข้าใจไหมการไปว่า การไปว่าพระวิษณุโดนกระทบต่อเจ้าใจสิทธิ์แต่ตศาสนาพุทธของเราอ่ะมันเป็นศาสนาที่เรียกว่าจริงแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอ่อนแอด้วยความศรัทธาความศรัทธาของเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นใครๆโผล่มามาว่าศาสนาพุทธในเส้นทางไหนเหลี่ยมไหนว่าได้หมดยอมกันหมด ตั้งแต่ผู้ใหญ่ยันผู้น้อยยอมหมดมันจะด่าพระพุทธเจ้ายัางไงก็ยอมลองเป็นของอื่นดิศา ส, สนาอื่นได้ไหมไม่มีทางเราก็ไม่ว่ากันเพราะสภาพการมันเป็นแบบนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงในขณะนี้มันเป็นอย่างนี้การว่าพระเวสสันดรคือกระทบต่อเจ้าชายสิทธัตถะเพราะบางอย่างเหมือนกันพระเวสสันดรสลานางอัศวีสลากการหาชารี เจ้าชายสิทสัศสละพระนางพิมพาและพระหุ่นเพื่อออกพุทโธกระทบล้วๆนๆะแต่ของเรามันอ่อนแอกันไปหมดทุกองค์กรที่เป็นพุทธเพราะนั้นพวกท่านที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยธรรมมาก็หวังไว้ว่าเอาจริงเอาจังกับการภาวนาเนะเพราะอะไรรู้ไป เพราะใจมันเปิดถึงขนาดศรัทธาเป็นอาจรัสศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่วันไหวไม่พรั่นพรึงวันนี้จริงๆงตอนเจ้าพูดถึงเพื่อนที่สองร่วมเดินทางมาใงสารวัตรคืออะไรตันหาเมื่อใจเปิดเป็นอาจรัสศรัทธาตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไม่วันไหวและจะสู้ฟันฝ่ากับไอ้ตันหาที่เป็นเพื่อนเราแข่งขันกับมันไป แล้วก็เปิดตัวบางองค์บางคนบางท่านน่ะใยับเนื้อขยับตัวไม่ได้หรืออยู่แค่เนี้ยแต่ยังต่อสู้กับพันธคืออาจารย์กำพลรู้จักใช่ไหมเนี่ยคนที่เห็นท่านจำที่ไม่ต้องไปสอนอะไรหรอกแค่เห็นความต่อสู้พยายามในการที่จะใช้การปฏิบัติบูชาของตัวท่านเองอะ่ะยังเกิดความศรัทธากันเยอะแยะมากมายแ้่เรามือไม้ดีๆโอ้มันจริงจังกันเลยก็ไปพึ่งพายอย่างอื่นไม่ได้หรอก เราจะหวังให้องค์กรนั้นหวังองคอ์กรนี้เดี๋ยวนี้มันหวังกันไม่ได้ฮะเราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยการปฏิบัติอย่างจริงจังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าองค์ทรงสอนนี่แหละคือการช่วยสืบอายุพระศาสนาทำให้พระศาสนาของเราแข็งแรงและถือเป็นการปฏิบัติบูบบชาตอ่อพระสมมาสามพุทธเจ้าในโอกาสที่เป็นวิสาขาบูชาอย่างแท้จริง อิจิตังปติตังตุ მ หังคิปะเบวัสมิชะตุสเพปูเรนตุสังคปาจันโทพันรโสยัทธามนิโชติราโสยัทธาอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโยจตารโหธรรมาวตันติอายุวันโดสุขขังพลังอยัญจัโกตะกีนังทินนาสังคมิทุปติติตาทีการตังอิตายัสสาธานาโสอุปเปตปฏิ โซยาติธรมโบจะอยังนิทัสิโตเปตานาปูชาจะกตาอุลาราพลัญจพิกุนัมนุปินังตุมเฮฮิปุญยังปสุตังอนับปะกันติชยสิทธิทนังลาพังโสที่ภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโดจะพโภคังวุติจยัสสวะสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเต Sita matu, sita matu, sita matu. i d a n g b a lang, etasaming, ratanata y a t a m i n g sampasa, a t a n a c e tato.